ฟังธรรมกันนะเพื่อจะนำมาปฏิบัติต่อกายต่อใจให้ถูกต้องมีธรรมเท่านั้นที่ทำให้กายใจรับความเป็นธรรมและถูกต้องจิที่จะจิต ท, ท, ที่ทำให้เกิดความถูกต้อง จะต้องปฏิบัติลงไปจริงๆมีสติสมปัญัญญะเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของ จ, จิตใจถ้ามีสติมีสมปััญญะมักจะถูกต้องเกิดขึ้นที่กายที่ใจได้จะไม่เป็นทุกข์เป็นโทษต่อกายต่อใจ ต่อคนอื่นจริงอื่นวัตถุอื่นมีประโยชน์เกิดขึ้นมากมายตัวกายใจะระลับความถูกต้องชอบธรรมจึงต้องจําเป็นต้องปฏิบัติกายของเราใจของเรานี่มันเป็นของประเสริฐไอ้ตัวมันก็บอกบอกข้งควา ไม่ถูกต้องความสุขความทุกข์ ใ, ใจก็เหมือนกันแต่เดิมมันปกติอยู่กายก็ปกติใจก็ปกติกกตแต่สิ่งที่เกิดก็เกอดายกับใจ่างดีก็ออนภายนอกตืหวางให้ดาหูสมวกเร่ง กายใจในตัวมันนั้นได้ลถจินเฉียงสามปัดอารมณ์จรเข้ามาไม่มีสติเป็นเจ้าของดูแ ล, แลก็เกิดผิดพลาดได้จึงมีสติเป็นผู้ตรวจสอบเป็นเจ้าของตามหลักปฏิบัติ จิงใดที่มันจรมาบอกคืนไปสติมีหน้าที่อย่างนั้นบอกคืนก็ไม่ดีไม่ต้อนรับไม่ที่อาศัยไม่ให้ค่านี่คุณค่าของสติที่ดูแลกายใจถ้าไม่มีสติก็ต้อนรับเป็นความโกรธต้อนรับความโกรธ ความทุกข์กดต้อนรับความทุกข์ความหลงกต้อนรับความหลงให้พักอาศัยที่ากาที่ใจโกรธข้ามวันข้ามคืนทุกข้ามปีข้ามเดือนก็มีก็กลายเป็นกันย่อมกายย่อมจิตให้ผิดปกติไปจากปกติ เป็นแต่เดิมอยู่แล้วเพี้ยนไปเป็นจลิดนิ <c oughs> จใจจึงต้องมีธรรมเท่านั้นธรรมต้องประกอบขึ้นมามีจิตถ้ามีจิตอันหลงไปนานแล้วก็ยึดเอาความหลงว่าเป็นตัวเป็นตนไปกัดกรแล้ว ไปยืดดความสุกขไปยืดดุขความทุกข์ไปยืดดุขความพอใจไม่พอใจต่ัณฑ์สติใจไม่เป็นอะไรเช่นจิตที่มันคิดอะไรเกิดขึ้นมามักจะไปไกลแล้วพอใจไม่พอใจเป็นเสียอย่างนั้นแล้วไม่ได้สักตแต่ว่าตาสติจะเป็นสักแต่ว่า ถ้าไม่มีสติก็เกิดความพอใจไม่พอใจตาเห็นลูกก็พอใจไม่พอใจหูที่ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจจะบกได้ตื่นลิ่นได้ลดกายสัมผัสจิตใจคิดก็ไปถึงความพอใจไม่พอใจไปเสร็จแล้วพัดถิ่นพัดบ้านไปเสร็แล้วออกจากที่ไปแล้วเพราะไม่มีสติเป็นเจ้าของเป็น เจ้าทินดูแลนี่เป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นอารมณ์เป็นอาการไปเอาอาการเป็นตัวเป็นตน้นอยประยึดมั่นถือมันว่าตัวว่าต้นไปจ้ะกลาเป็นอกศุศลเกิดขึ้นที่กาวที่ใจความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเป็นจริตนิสัย กายเป็นลาคาล้าจริญโทษะจริญโมหะจริญไปเอาความหลงออกหน้าตัดทิ้งใจตามความหลงเอาความโกรธออกหน้าตัดทิ้งใจทําตามความโกรธเอาความทุกข์ออกหน้าตัดทิ้งใจทําตามความทุกข์เสียเปียบความโกรธเสียเปียกความทุกข์เสียเปียบความหลง ก็เห็นกันอยู่อาชีเ่านั่นนำเราไปก็ผิดพลาดเหยียดเป็่นตนเองและบีบเบีนคนอื่นจดต้องมีตัวบทคนหมอยมีคุกมีตลางหรือป้องกันมันก็ยังไม่ไหวทำเท่านั้นที่รักษาและนี่ให้อยู่ในความเป็นธรรมให้อยู่ในความปกติ วกขนกน็มีได้ไม่ต้องให้ใครมาปกครองแม่สุขภาพร่างกายก็ เ, เจียวกักรใช้ชีพไม่ถูกต้องกลายเป็นโครคภัยไข้เจ็บได้ยิ่งทุกวันนี้ชิงเวรลอ้อมมีแต่พิษแต่ภัย เพคนช่ายชีวิตไม่ถูกต้องมันก็เพี้ยนไปหมดพวกเราจึงต้องมททำให้มากขึ้นมีความจัดเจนแม่นยำลู้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเช่นสัตว์บางประเภทหมดไปแล้วเพราะไม่ไดพัฒนาไม่มีคุมกุ้งกัน ชีวิตเราก็อาจจะหมดไปอายุสั้นลงชีวิตของคนเราปกติร2อยี่สิบปีนี่ก็สั้นลงามาตั้งเก็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีอย่างมากจีิบปีเสียหายไปแล้วตามคนเมี่ยุแก่ๆหนึ่งละจิตใจเป็นใหญ่ใจดีใจเย็นปล่อยวาง เตืองใจไม่มาก่อนอะไรเกิดขึ้นวางใจได้ทุกลูกทุกแบบเรื่ออาหารการกินที่เข้าทางปากไม่หลงลดหลงโคลนนาหลงสีหลงกิ่นรู้กจอกกินรูกจก้จอกรับส่วนมากคู่มีอายุ ยาวๆมากจะรู้จักดังนี้ชัดเจนเคยไปถามคนแก่ที่ไปสิบสองปัณนาประเทศจีนอายุร2อยยี่สิบปี1 2อยี่สิบกว่าปียังทอผ้ายังแสดงเอาได้มาสอดเข้ารู้เข็มให้ดูทำงานได้ถามโดยแล้วก็เพื่อภาษา ไทยกันได้จิตสองฝันละคนทายใหญ่คนไทย เ, เดิมๆแล้วก็มีจิตใจนี่แหละสําคัญแล้ะการมีอาหารการกินก็ทำให้มีชีวิตทีวาอาจจะไม่มีโครคยไข้เจ็บเจ็บหมดชีวิตไปเฉยๆก็มีบางคน ถดูแล้ววิธีที่รักษาชีวิตจิตใจการใจของเราเนี่ยก็อยู่ในตัวเรานั่นเองไม่ต้องไปพึ่งหวาเฉยอื่นจิตใจต้องมาก่อนสติมาก่อนเพื่อจะดำเนินชีวิตให้สำเร็จตามความเป็นจริงกก็ปกติมีธาตุสี น้ำกับหน้าที่เป็นน้ำดินก็ทำหน้าที่เป็นดินลมก็เป็นหน้าที่เป็นลมไฟก็เป็นหน้าที่เป็นไฟที่ว่าไฟที่ว่าลมชื่อว่ า, วาดินชื่อว่าน้ำเป็นอันเดียวแต่ว่าคนที่ใช่น้ำใช้ดินใช้ไฟใช้ลมทําให้เพี้ยนไปในกายในใจเจอเหล่านี้มีท่าสีดินน้ำลมไฟเนี่ย แต่เราใช่ผิดประเภทมันก็ไม่สมนุนก่อนเนื่องจากผู้ใช่มันกัดดินที่เราใช้เป็นพิษเป็นภัยเฉลแล้วทุกวันนี้แผ่นดินมีพิษมีภยัยแม่น้ําก็มีพิษมีภยัยอากาศไม่พิษมีภยัภยไฟก็เพี้ยนไปแล้วมีอะไรเกี่ยวข้อง มีดินมีน้ำมีลมมีไม่เกี่ยวข้องก็เกิดลุนเกิดแรงบ้างเช่นไฟไหม้เมื่อไหร่ลมพัดมาทำให้ไฟลุกโหมขึ้นแรงก็มีลมน้ำน้อยลงไฟก็เพิ่มขึ้นไม่สม่ำเสมอจัดโลกก็อยู่ด้วยความลาบาก คือพวกเราที่ใช้ชีวิตที่นี่ลำบากเดินไปไล่ไปสวนก็มีเลือดบวกเป็นโรคเราก็ไม่ได้ทำให้ดินน้ำเสียหายแต่เราพวกอยู่ในโลกก็ก็เป็นรับทุกข์รับโทษด้วยเราจึงต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตทุกวันนี้มีทำเท่านั้นที่ ที่จะใช้ชีวิตในความถูกต้องเมาะสม ล, ล, ะลูกกราเธอจารูปกลักษณะรูปอาการต่างๆเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องประกอบการงานอาชีพต่างๆสามารถละวังทำมันค้มคองและทุกรูปแบบมีสติแล้วมักจะใช้ชีวิตถูกต้องครบวงจร ยิ่งปีใหม่จะมาถึงปีเก่าก็าจะสิ้นวันนี้อะไรที่เกิดขึ้นกับเราสมตัวอย่างไรความชั่วเพิ่มขึ้นหรือความดีเพิ่มขึ้นไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเราความชั่วความดีความผิดความถูกที่เกิดขึ้นปากับใจนี้ใครเป็นคนทามันขึ้นมา ทำไม่เกิดความดีใครเป็นคุณทําแตาไม่เกิดความชั่วใครเป็นผู้กระทำมันก็อยู่ที่เราดีน่าจะ <c oughs> มีกําลังใจย่อยชีวิตใหม่ๆขึ้นมาอะไรที่ทําให้มันดีอะไรที่ทําให้มันชั่วในการในใจเรานี้ทําให้ดีได้ไม่เหมือนกับวัตถุจริงของออื่น อยู่ที่การกระทำของเรานี่เช่อนอาโกศลลมูลเช่นว่ากิเลสอะไรทำให้หญิงเศร้าหมองจญิงใดทำหมจิตใจเศร้าหมองด้วยว่ากิเลสจญิงใดทำไมกลายเป็นทุกข์เป็นโทษเรียว่าโาครคภัยไข้เจ็บ รูปโลกเกิด ไ, ดงไงต้จ่างไกิเลตเกิดขึ้นได้ยังไรทิเลตก็เป็นโลกอันหนึ่งล้ายกว่วยอันอื่นเหมือนผ้าที่มันสกปรกก็าต้องมีเครื่องซักผ้ามันก็สะอาดได้นั่นงมีวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สาม แต่กายใจของเราในอยู่ในตัวมันเองถ้าเป็นอกุศลอกุศลเช่นความโกรธมันก็มีความไม่โกรธอยู่ในที่ด้านด้วยความหลงก็มีความไม่หลงความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ไม่น่าจะจนตรงนี้ เพื่อมันใหม่ขึ้นมาเหมือนปีเหมือนเดือนอะไรที่มันใหม่ของใหม่มันต้องบริจุทดหมดจดจากเครื่องสมองชีวิตของเราที่จะใหม่ได้มันต้องหมดจดจากเครื่องสมองมีโลกโคตรหลงเป็นต้นย่ายมาข้ามปีข้ามขอสอไปได้ ไม่มั่นใจในะจริงเหล่านี้จะมีคุณมีค่าขึ้นมาวิธีปฏิบัติทมเสริมเข้าไปมีสติเข้าไปมีสติเปเจ้าถินเข้าไปไม่ได้อวดได้ทนไม่ได้ชู้กับอลไยว่าจะมีสติดนกลาคือยู่กับกายเป็นประจา มนจะได้ของใหม่จะชีวิตใหม่ใหม่ชีวิตใหม่เหมือนไม่เหมือนเดิมล่วงพ้นภพวะเก่าล่วงพ้นภพวะเก่าเมื่อชีวิตใหม่ขึ้นมาํำลอยความโกรธโลภหลงลอได้แล้วก็สู่ความเป็นพระอิบุคุณชั้นใดชั้นหนึ่งคนละชั้นกันกับของเก่า เมื่อคนที่เป็นคนเก่าๆคนบ้านุ่งผ้าสกปกเลอะนอนตามต้องขยะขกินน้มในคลองตามตลาดนั่นเมนเก่าไม่รู้จักพัฒนานคนใหม่คนคนระชั่นคนที่ชั่นใหม่ๆทำอย่างนั้นไม่ได้ พรอาเดียบุคคลตั้งแต่พระโสดา บ, บันขึ้นมาไม่มีเลยขบ้คาความโกโรธโลภหลงมันเก่าที่สุดศกปกที่สุดลับไม่ได้เหมือนกับพูดหลงก็รับไม่ได้โกรธก็รบไม่ได้โลภลับไปได้ทุกข์รบไม่ได้ไไดเด็ดขาดมันชื่อว่าทุกข์เหมืนเป็นชั่นแบบนี้ จึงว่าร่วงพ้นภาวะเก่าจึงเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาได้เปลี่ยนแปลงเป็นชีวิตใหม่ๆขึ้นมาตามกับปีกับเดือนไม่เหมือนเมื่อก่อนวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทําให้ใหม่จริงๆบริสุทธิ์หมดจดจาเครื่องสมองมีโรคโกรธหลงเป็นต้น แน่นอนที่จุดเราก็ชนคือโลภโกรธหลงนี่เป็นออบายเป็นเป็นทางต่ำํำๆไปช่วยออบายแต่หลงเป็นหลงไปช่วยออบายแต่หลงเป็นรูปไปช่สุคติมันแยกทางกันตรงนี้น่าจะไม่หลงตรงนี้ทางแยกตรงนี้เวลาเราปฏิบัติเห็นทางแยกตรงนี้ชัดเจน เห็นเช่นเห็นทางเห็นแผนที่เห็นกนระแสเห็นนิมิตบอกผิดบอกถูกผู้ที่เดินทางสัมผัสได้ต่างกีวิญญาณยวลาเรามีจิตไม่จนเลยนัได้ควมไม่หลงจากความหลงไดยความไม่ทุกข์จากความทุกข์ เติมความไม่โกรธจากความโกรธก็หลงเป็นหลงโง่ไปเสียแล้วเป็นเดรัจฉานไปไม่รู้จักพัฒนาตรงนี้โกรธเป็นโกรธเป็นเดรัจฉานไปแล้วไม่พัฒนาตรงนี้หวงไปละห ว, วงทางไปแล้วทำตามความโกรธทุกเป็นทุกเดรัจฉานไปแล้วหวงทางเสียแล้วหวงทางมักถางขนท่านมนุษย์พวก ปฏิบัติธรรมก็จะแยกกับตรงนี้กวางไม่ได้ไม่จนตรงนี้ได้คนทุกข์ผูกขวงทุกข์โดยเพื่อนขวงโกรธผูกขวงโกรธได้ขวางไมโ่โกรธขวงโกรธได้ขวางไ ม, ม่หลงผูกขวงหลงได้ขวางไม่ทุกข์ผูกขวงทุกข์ได้ปัญญาผูกปัญหามากปฏิบัติ ไม่ต้องเอาชาติชตั่นวนะันหน้ามากำหนดกันอยู่ที่ ก, การกระทั่งของแต่ละชีวิตมีจิทธิเท่าเท่าเทียมกันเนี่เรามีอาหารดีๆกินมีบ้านดีๆอยู่มีอะไรใช้ดีๆแต่ว่าตรงนี้ไม่ดีมันก็ไม่มีคุณค่าสำหรับชีวิตเรา เกทุกข์เพราะความทุกข์กิดทุกข์เพราะความเจ็บเจ็บตายมีความทุกข์เป็นเมืองหน้าขวางทางไว้แน่นอนถ้าหลงเป็นลูกอะไรทุกข์เป็นลูกไม่มีใดขวางได้พ้นทุกข์เมื่อก่อนเกิดเจ็บเจบตา ย, ยได้ไปตั้งแต่เก้าแรกที่นี่เริ่มต้นปีใหม่กันให้จดเกณฑ์ตรงนี้ดูตรงนี้ดีๆ จะได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาจริงๆตลอดภัยเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องกับการเวลามีคุณค่ายิ่งขึ้นเหมือนต้นไม้เหมือนหัวเปือกหัวมันหวังอยู่ในดินนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณตำค่ามากขึ้นมีปริมาณมากขึ้น ตอนไม้ยืดหยู่นอนเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่คุณค่ามากขึ้นแก่มากขึ้นโตมากขึ้นคุณภาพมากขึ้นน้าเคารพมากต้นไม้เนี่ยสองร้อยสามร้อยปีชีวิตไม่ยูงเนี่ยหนาสองนิ้ว ว่างสามจิบนิ้วยาวสองเมตรเดือหนึ่งสองแสนบาทต่อจัดไม่โยงที่ผูหลงประมาณนี้ยี่สิบต้นเป็นเงินล่อนล้านบาทมีค่ามาก แต่ถ้าเราไม่ฝึกตนสนตนมันชู้ไม่โยงต้นหนึ่งไม่ได้น่าจะเอามันเป็นขัวาจานยิ่งวันเดือนปีผ่านไปเขายิ่งคุณในคาบมากขึ้นเราเล่ ว, ล ว, วันนี้ <c oughs> <c oughs> ถังต้นชีวิตดีๆจงท่ายดีๆน้อย ตอนลอบปีใม่ดีๆเราก็เห็นกันอยู่ที่วิถีเรานี่อะไรไม่ไม่ดีนิสัยอย่างไรเป็นจริตอย่างไรนิสัยอย่างไรแค่ทันทีวินาทีนี้ทันทีหนี้ขวางชั่วทองกลมดีทันทีในวินาทีนี้เอาไว้หลังทันทีตัดชิงใจทันทีอัดนิสัทันทีไอ้มิ เฝ้าจริงใจกับชีวิตตัวเองหนึ่งละเราต้องทำรักษาใจดีๆรักษากายดีๆข้ามีกายมีใจเท่นี้การอยู่การกินน้าปฏิวัติได้แม่แต่ญาติยอมว่ทานอาหารสักสองมือ้อเพียงพอแล้วมื้อเย็นไม่ต้องทานาอาหารบ้าง จะทำให้สุขภาพล่างกายดี <c oughs> ยาวการกินมาเป็นใหญ่มากเกินไปเอาเรื่องความถูกต้องเป็นใหญ่ความชอบทมที่เกิดกับการกับใจเป็นใหญ่ให้มาอันดับหนึ่งมีความมั่นใจยิงใจต่อกายต่อใจซื่อตรงต่อกายต่อใจ อย่าไปใช่กายผิดประเภทอย่ า, าให้ใจจิตใจผิดประเภทใจมันมาดีอยู่แล้วไว้ให้มันมีอารมณ์ครอบงำเป็นความโกรธโรธหลงกิเลสตัณหาใช่ใจผิดประเภทใจท่องบริสุทธิ <c> ์อ <oughs> <c oughs> ดจดซื่อตรง เป็นธรรมผู้จิงได้ประกอบด้วยเมตตาผู้จิงได้ประกอบด้วยเมตตาทำจิงได้ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อร่างและรับหลงเป็นบ้านเป็นทมปูผมให้ทางเดินของชีวิตชีวิตต้องปูงผมแบบนี้มองในเนี้ยดีๆเราอยู่ร่วมกันกับสังคมกับโลกกับมนุษย์ เป็นสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานบทปัญญาสามีในเป็นปดดับซึ่งกันและกันในความรักยิ่งใหญ่ความรักเนี่ยนมีความรักตามห ล, ล, ล, ลักพุทธเจ้าร <c oughs> ักก็มีต้องเป็นคนดีรักลูกก็ต้องเป็นคนดี รักเมียรักขัวก็ต้องเป็นคนดีรักพ่อรักแม่เราก็ต้องเป็นคนดีรักพี่รักน้องเราก็ต้องเป็นคนดีรักประเทศชาติเราก็ต้องเป็นคนดีรักโลกรักแผ่นฟ้ารักน้ำรักอากาศรักแผ่นดินเราก็ต้องเป็นคนดีอย่าทำลายอะไรอย่าทำลายอะไรทั้งสิ้นมองในแย่ดีไม่มีแต่คิดช่วยเหลือ ร่วม ก, กันกับทุกสิ่งในโลกนี่ให้เหตุมีดเป็นเพื่อนกันก่อต้นไม้เป็นเพื่อนบางต้นก็เรียกเป็นลูกหวงต้นก็เรียกเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็ู่ย่าตายายให้มีความรู้สึกเหมือนกับชีวิตร่วมโลกด้วยกันฉศละจริงยิ่งอากาศเรายิ่งจํำเป็นเวลาที่ทำให้อ า, ากาศเฉีย จุดควานเผา ป, ป่าทุบปุ๋ีมันก็ยังแช่ไม่ได้ยังเห็นคนเอาถังน้ำสังเคบีที่ไปพ้นยาข้ า, มาแมลเป็นล่าในน้ำในหนองในห้วยคนนั่นทำคนเดียว แต่เราเดือดร้อนเป็นหลายร้อยหลายหมื่นคนตลอดใช้น้ำพอพ่นยาเคมีเราก็เดือดร้อนเรเกิดขึ้นในทุกหมทุโทษในโลกนี้มากมายหลรยโจักโลกจักลีกแล้วมันระวางก่อนใช้ชีวิตให้มากกว่าเ่าอย่าได้เจ็บค่ได้พวย ด้วจะป้องกันแฉไขยิบให้หนีชีวิตใหม่ตั้งต้นใหม่หม่ดีๆต้องสติดีๆแบบการใช้ชีวิตมีกายม่ใจเท่านี้แล้วหวานนี่เกิดกับกายกับใจมีสติดีๆถ้าใช่กายใช่ใจดีเป็นเป็นมรรคผล ให้มีความสำเร็จได้เชื่อมั่นในตัวเองให้มั่งมากไปทำความดีมีความเชื่อมัน่นมีความเพียรสูงมีความตั้งใจสูงมีวินัยอย่างสูงสูงไม่ล้มไม่เลิกมีความรักต่อทุกสรรพจริงสำเร็จแน่นอด ทำอะไรก็สําเร็จแต่แรกก็อาจจะมีขวงมเพื่อมั่นต่อไปก็ทําบ้างไม่ทําบ้านอดไม่ได้ทนไม่ได้อันนั้นก็ไม่ไปหน้าไปหลังแต่บางชีวิตเนี่ยหาเรื่องเถี่ยวไม่ต้องทําถามโน่นถามนี่อันนั้นก็ยากกันนียากไหมง่ายไหม ก็ร่วมเหลวตั้งแต่ทีแรกอยากให้อดอุลีให้จสือละมวนได้ไหมค่อยๆลดลงต่อรองอ่อนนั่นเลยว่าร่วมเหลวตั้งแต่ทีแรกวินาทีแรกเชื่อมแผงขึ้นมาเราเป็นหนึ่งหรอ จะเป็นหนุษที่ประเสริฐละในโลกเนี่ยคิดอย่างนี้เป็นลูกของพ่อขอแม่คนหนึ่งแล้วแม่นอะไก็สมมติขึ้นมาเพื่อใช้เข้มแข็งํำความดีมีสติมีปฏิวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะวิชากรรมฐานนี่เป็นหลักใช้จริงจริงเป็นวังเกอเป็น จะหมอรภูมเป็นเชยภูมิที่ดีมีที่ตั้งมีสติเป็นเนกายเป็นที่ตั้งเป็นฐานครับเป็นเป็นป้อมป๋าการที่ดีที่สุดมั่กจับไม่แพ้ในการทําความดีไม่แพ้ความชั่ว มีถานใหญ่โตมืสติก็เป็นอาวุธอย่างดียิงแม่นปาบข้าศึกได้เยอะมือานไหนก็รู้นะจหลงก็รู้ทุกข์ก็รู้โกรธก็รู้สุกก็รู้ทุกข์ก็รู้สองข้อโรู้ฟงซ้อนก็รู้นอนปอบข้าศึกได้จมนมาก กำลังพล น, น้อยๆที่ตั้งก็มั่นคงหรือว่าเฉยๆพูนคือกายกรรมฐานครบองจทรท <c oughs> ั้งหมดสนามกัมดีเกิดเกิดได้วิธีใช้ชีวิตอย่างนี้นักกรรมฐานนี่ให้เป็นนักกรรมฐานพ่อกรรมฐานแม่กรรมฐานลูกกรรมฐานพ่อบ้านแม่บ้านกรรมฐานอ นักปรุงอาหารกรรมฐานนักก่อสร้างกรรมฐานน่าจะเป็นอย่างนั้นในโลกนี่ถ้ากรรมฐานเป็นที่ตั้งทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนับผิดชอบสูงมีความเพียรสูงไม่ล้มเลิกไมีจเตาจความจริงใจระพิ่จริงใดให้ได้จริงๆถ้าไม่เหม็นความจริงไม่ทําเด็ดขาด จะทําให้ถูกต้องไม่ทําเดือดขาดเช่นปีหนึ่งจ้างรถแทักเตอร์รถแมคโครมาขุดสอบแล้น้ามันอะไรมันหมดคนเขาแจ้งครับบอกขุดคนขับรถไม่ยอมขุดไม่ยอมขึ้นขับไม่ขับบอกไม่ไม่ถูกต้องต่อไปครับมันก็เสียหายเขาไม่ยอมขับ คนบอกให้ขับเขาก็ไม่ยอมขับเพราะมันขาดน้ำมันอะไรเขาในความไม่ถูกต้องไม่ยอมกระทำไม่แต่วัตัวจิ้งของใจรถใช่หล่อใช่บ้านช่องห้องหอประตูนั่นต่างถ้าไม่ดีก็อย่าไปใช้ซ่อมไม่ดีก่อนนี่ความถูกต้องมีได้ทุกรูทุกแบบ ในกายในใจเรานี่ยิ่งบง่งบอกทั้งความผิดความถูกคงไม่ชอบความหลงไม่ถูกต้องจริงๆความไม่หลงถูกต้องจริงๆหลงไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดจริงๆนี่คือมั่นใจวินยัยทําวินยัยมั่นใจหลงไม่ได้เด็ดขาดทุกไม่ได้เด็ดขาดโผล่ไม่ได้เด็ดขาดเอาเรื่องกายเรื่องใจมาให้เป็นตัวเป็น สุขเป็นทุกข์ไม่ทำเด็ดขาดเอาเรื่องการได้ใจไปทำใหาคนอื่นเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ทำเด็ดขาดเด็ดขาดนี่ทรมาเวไนยไม่ร่มเลิกไม่มีอะไรมาต่อรองตัดทิ้งใจเด็ดขาดหลงตรงอย่างนี้กิเลสลงเป็นหน้าจะเป็นอย่างนี้ร่วมกัดอยู่กับโลกร่วมกัน ในปีหม่ที่ถึงนี้้เริ่มต้นดีๆจังหน่อยความาเปาะเปลี่ยนสูงสงอย่าล้มเลิกจัดเจาะความจริงใจพฤ่จริงใจให้ได้จริงๆทำความดีอย่าอะไรมาต่อรองต่อนอ น, อ น, อนู่นออนนี่วันเดินปีชีวิตมันต้องเป็นปัจจุบันเท่านั้น ลืมเสียเถิดความหลังลืมเสียเถิดอนาคตตั้งปัจจุบันให้มันดีๆคือเดี๋ยวนี้วินาทีนี้สั่งใจดีๆมีสติทลามั่นดีๆวินาทีนี้ทำนั่นที่จะเป็นอดีตที่ดีวินาทีนี้เทำที่เป็นอนาคตที่ดีพรุ่งนี้ทำอะไรมาได้เมื่อวานทำอะไรมาได้ แม้แต่ชั่วโมงก่อนๆทาอะไรไม่ได้แล้วอย่าให้มันข้ามมาให้ความหลงมาถึงวินาทีนี้ควมหลงไม่มีตั้งแต่วินาทีนี้เมื่อวินาทีไม่มีความหลงวินาทีก่อนๆ ก, ก็เป็นเพื่อสนับสนุนเดีย ว, ว่าอบเพกะตะปาปุญญตาเป็นผู้ทําความดี ไ, ว, ไ ว, ว้ไว้ก่อนแล้วไว้ก่อนแล้วความดีความรู้จักตัววินาทีนี้ วินาทีข้างหน้าความดุจตัววินาที่ก่อนก็จะเสริมช่้างวินาที่ต่อไปให้ดีขึ้นต่อไปไม่ใช่พรุ่งนี้จะเอาดีไม่ใช่อย่างนั้นส่งถ้าไอ้พี่เขาจะต้องส่งแบบนี้เดี๋ยวนี้ให้ดุกจกตัวมีความรู้จกตัวให้มัน่นใจมีความเพียรมีความรัก ทำสำเร็จจริงๆหนึ่งละมีความเพียนเชื่อมั่นทำบีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีที่ไหนสูงไม่ล่มเลิกมีความลักเป็นจริงที่ไม่ทอดถอยเหมือนเราลักลูกรักเมียขย้อนเหมือนเขียนไม่เตะดตะเลยร่อน ลักการรักการหลังสู้ผ้านาจุนสู้เสือทุกท่าถ้ามีความรักกลัวไม่ต้องกลัวก็มีความรักจริงๆไม่ต้องกลัวเลยกลัวอย่างได้ความจนไม่อยากให้ลำบากสู้ข็ยันหยันเดียวมีทุกอย่างพี่เขียนอย่เดียวหอดทุกอย่าง เราจึงอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละตั้งดีๆตั้งจิตดีๆสําเร็จได้เป็นมากเป็นผลได้ถ้าปฏิบัติทำแม้จะทำกรรกนี้หนึ่งก็สําเร็จได้ถ้าคงชั่วได้สาเร็จทำกรรมดีได้สําเร็จแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาถ่วงได้สําเร็จถ้ามีเชื่อมั่น มีความเพียรใจดีไม่ล้มเลิกไม่ท้อแท้แม้ใจจะขาดดิบหลีท่อเช่นได้นี่ก็ยังไม่ยอมยังดียังสู้อยู่ยังโตอยู่เจ็บกันหนาไ้ก็ยังมีเจติยังมีน้ำใจอยู่ไม่ความเจ็บเป็นเจ็บไม่ความตายเป็นตายไม่หายใจไม่ได้ก็ยังไม่ได้ต่อรองไม่ต้องอาศัยมันลมหายใจเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ เอามันปานนันะมันก็สำเร็จวิตเราจะไปเอาอะไรมาต่อรองอีกไม่มีแล้วมีความดีเท่านั้นมีน้อมใจเท่านั้นมีความจริงใจเท่านั้นตกตงสอนตกลงรบ น, อ, น อ, อย่าให้เสียปีเสือเดือนก็ขอเชียอข อ, ข อ, ข อ, ขอบอก ขอเป็นเพื่อนเป็นมิตรว่าจริงที่ความดีนี่เกิดขึ้นได้แน่นอนที่กาที่ใหญ่เรานี่ทุกคนต้องตั้งต้นมาอยู่ร่วมกันในโลกนี้ให้เป็นความสงบร่มเย็นร่วมโลกด้วยกันเป็นปาใจกันมันก็ไม่มีเสียงนั่นแหะ หมดเรื่งเสีย ง, ง, <laughs> ง, ก, ง, นะงยกันสมควรท่านเนี่ยนะส่งท่านพี่เก่าตอนรับพี่ใหม่วคนนีนะ้กับพระพร้อมกัน